เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่คุณตูนได้นัดเพื่อนสองคนมานั่งดูฟุตบอลกันเพื่อนสองคนของคุณตูนชื่อนอและชื่อเอกได้นั่งรอดูฟุตบอลกันจนถึงเวลาประมาณตีหนึ่งแล้วคุณเอกก็เอ่ยขึ้นมาว่าหิวเดี๋ยวจะหาอะไรกินกันก่อนและเอกก็อาสาไปซื้อของเองโดยยืมรถของนอไปซื้อจนผ่านไปประมาณ40นาทีเอกก็ยังไม่มา จนฟุตบอลหมดครึ่งแรกก็ยังไม่มานอจึงโทรหาเอกเอกก็บอกว่าทําธุระอยู่ก็นั่งรอกันจนฟุตบอลจบประมาณตีสี่กับตีห้ก็ยังไม่กลับมาคุณตูนและนอเป็นห่วงมากก็เลยเดินลงไปข้างล่างไปเจอยามประจําหอพักยามก็บอกว่าเห็นเอกเอาเสื้อของวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาเอาเก็บไว้หน้ารถไปใส่แล้วก็ขี่รถออกไป คุณตูนและคุณนอก็คิดว่าคุณเอกเล่นพิเรนอะไรจึงนั่งรออยู่หน้าหอพักอีกประมาณ20นาทีคุณนอเลยโทรหาคุณเอกอีกทีโทรติดแต่ไม่มีคนรับแล้วรถของคุณนอจะมี GPS บอกตำแหน่งอยู่ด้วยคุณนอจึงเปิด GPS แล้วลองค้นหาตำแหน่งของคุณเอกปรากฏว่าไปอยู่ตรงถนนเส้นหนึ่งซึ่งอยู่ห่างออกไปไกลคุณตูนและคุณนอตกใจมากกลัวว่าเอกจะโดนปล้น คุณตูนก็เลยขับรถตาม GPS ไปพอขับออกไปได้สักพักก็ไปเจอตำรวจสายตรวจสองคนขี่รถจักรยานยนต์อยู่จึงได้เข้าไปขอความช่วยเหลือแล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังแล้วคุณตูนก็ขอให้ตำรวจร่วมเดินทางไปด้วยเพราะถึงตำแหน่งตาม GPS ระบุซึ่งทั้งสองข้างทางจะเป็นป่าถานนจะถมสูงขึ้นมาจากสองข้างทางเล็กน้อยทุกคนจึงลงไปหาคุณเอกในป่า มืดมากไม่มีบ้านคนไม่มีไฟเลยต้องใช้ไฟจากมือถือสองทางเอาไปพบคุณเอกนอนสลบอยู่ในป่ารกรถก็จอดอยู่ด้านข้างทุกคนเห็นแบบนั้นก็ตกใจรีบเข้าไปหาแล้วตรวจ ด, ดูร่างกายจากนั้นก็พาขึ้นรถไปโรงพยาบาลพอถึงโรงพยาบาลคุณเอกก็รู้สึกตัวจึงได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นคุณเอกไปซื้อของเสร็จแล้วขากลับ ก็คิดว่าจะกลับทางลัดซึ่งเป็นถนนเส้นที่เล่าลือว่ามีคุณยายสปีดพ่อขี่รถไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโบอกมือเรียกคุณเอกก็เลยจอดถามว่าเป็นอะไรน้องผู้หญิงก็บอกว่าวิ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่เหรอเห็นใส่เสื้อวินคุณเอกเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองใส่เสื้อวินอยู่ก็เลยบอกกลับไปว่าใช่ใช่แล้วน้องผู้หญิงก็บอกว่าช่วยไปส่งที่ถนนสายนี้หน่อยพ่อก็ทางานอยู่ แล้วก็พักอยู่ที่ไซ่างานกอ่อสร้างตรงนั้นคุณเอกบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยมากใส่กางเกงขา ย, ยาวสีดำใส่เสื้อเปิดไหล่สีชมพูผิวขาวคุณเอกก็ไปทรงจนไปถึงที่ตนเองนอนสลบอยู่น้องผู้หญิงบอกว่าไซ่างานกอ่อสร้างของพ่อเขาอยู่ข้างในนี้และบอกว่าให้คุณเอกจอดรถรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทาธุระกับพ่อเสร็จ แล้วเดี๋ยวจะช่วยให้ไปส่งที่สถานีรถไฟเลยคุณเอกก็บอกว่าตอนที่น้องผู้หญิงเดินเข้าไปในป่าก็ได้ใช้แสงจากไฟหน้ารถสองทางให้พอน้องผู้หญิงเดินหายเข้าไปในป่าประมาณ5นาทีแล้วก็เดินกลับออกมากวักมือเรียกให้คุณเอกเข้าไปหาลักษณะเหมือนกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือคุณเอกจึงขี่รถเข้าไปหาทางซ้ายมือเป็นซางานก่อสร้างที่ทาให้ให้คนงานพัก แต่ไม่มีไฟฟ้าเลยมีแต่ตะเกียงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้แล้วบอกว่าช่วยด้วยพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงแล้วคุณเอกจึงเดินเข้าไปหาก็พบว่ามีผู้ชายนอนอยู่บนแคร่ไม้หน้าใสงานแล้วก็เสียชีวิตแล้วจริงๆน้องผู้หญิงก็ได้ถามคุณเอกว่าทํายังไงดีคุณเอกทำอะไรไม่ถูกอารมณ์ตอนนั้นประมาณว่าแค่จะมาซื้อขนมไม่คิดว่าจะมาเจออะไรแบบนี้ น้องผู้หญิงเลยบอกให้คุณเอกช่วยนั่งเฝ้าศพพ่อสักครู่แล้วเดี๋ยวเขาจะเดินไปบ้านญาติที่อยู่ข้างในน้องผู้หญิงก็เลยเดินถือตะเกียงเข้าไปข้างในเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีก็ยังไม่กลับมาคุณเอกก็ใจไม่ดีอยู่เฝ้าศพคนเดียวก็กลัวจึงใช้ไฟมือถือสองทางแล้วเดินตามน้องผู้หญิงเข้าไปข้างในเดินไปได้สักพักก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนหันหลังให้ในความมืด คุณเอกก็ใช้ไฟส่องแล้วยายก็หันกลับ ม, มองคุณเอกเห็นยายกำลังเคี้ยวกบสดๆอยู่คุณเอกร้องด้วยความตกใจและวิ่งกลับออกมาทางเดิมแล้วเห็นศพที่นอนอยู่บนแคร่ลุกขึ้นมาและพูดขึ้นว่า <ku pp art> ไอ้นุ่มตกใจอะไรวะจากนั้นคุณเอกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยตอนเช้าก็ได้มีตำรวจสายตรวจ <co cks S 1> เข้าไปตรวจสอบที่ไซต์งานที่คุณเอกได้เข้าไป ตำรวจบอกว่าไม่มีไซส์งานตั้งอยู่เลยเป็นป่าทึบๆสอบถามคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็ได้ความว่าในนั้นเป็นป่าไม่เคยมีไซส์งานตั้งอยู่เลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตูนได้ถ่ายทอดให้ฟังถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เพื่อติดตามเรื่องใหม่ๆด้วยนะครับ